สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่99นะครับเป็นพระพรประการที่5ครับภายใต้หัวข้อให้ความกรุณาได้พระกรุณาแต่ก่อนที่ผมจะไปยังพระพรประการที่5นะครับผมขอทบทวนพระพรขั้งแสประการแรกนะครับเรารู้นะครับว่าพระพรสี่ประการแรกนั้นเป็นพระพรที่เกี่ยวข้องกับความคิดนะครับ และจิตใจนะครับซึ่งหมายถึงเฮสนะครับก็คือความคิดแล้วก็ฮาร์สที่แปลว่าจิตใจครับมีประการแรกนะครับเกี่ยวข้องกับความคิดและจิตใจครับข้อความประการที่หนึ่งครับบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาข้อความประการที่สองครับบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงเปราะประโลมพระพอรอย่างที่สามครับบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกครับพระพอรอย่างที่สามครับพระพรประการที่สี่ครับบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์อย่าลืมนะครับพระพรสี่ประการแรกครับเขาจะต้องมี ความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ส่วนพระพรอีกสี่ประการที่เหลือนะครับแสดงถึงแทนกับแทนหมายความว่าการกระทําซึ่งมีผลมาจากท่าทีนะครับท่าทีสี่ท่าทีแรกครับถ้าที่เรียนได้บรรลุถึงพระพรสี่ประการแรกเขาจะมีสัญชาตยาณที่มีท่าทีตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยพรประการที่ห้าหกเจ็ดแปด ก็คือเมตตาบริสุทธิ์สร้างสันติและการยอมรับปัญหนานะครับครับในเช้าวันนี้ครับเราจะมาดูนครับว่าพระพรประการที่ห้านะครับซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่เจ็ดนะครับมัทธิวบทที่ห้าข้อที่เจ็ดโปรดฟังพระวจะนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบพี่ต้องทับคําว่าเมตตากับกรุณานะครับสําหรับคนไทยนั้นก็แตกต่างกันครับนะครับเพราะว่าเมตานั้นคือความมุ่งมากพัฒนาที่อยากจะให้คนอื่นมีความสุขให้ดีครับนะครับจากศูนย์ให้กลายเป็นบวกครับนะฮะนี่คือความเมตตาแต่ส่วนว่าความการุณานั้นคนไทยมกักจะใช้ในลักษณะที่ว่า ศาสนานะครับให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าติดลบอยู่นะครับอยากจะให้เป็นศูนย์หรือนะครับอยากจะให้จากลบขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะครับเป็นศูนย์หรือไม่ก็เป็นบวกพี่น้องครับนี่คือความแตกต่างนะครับขอาเมตตากับกรุณาความเมตตานั้นอยากจะให้คนอื่นดีนะครับความกรุณานั้นอยากให้คนอื่นพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี ความเมตตานั้นอยากให้คนอื่นมีความสุขนะครับความกรุณาอยากจะให้คนอื่นพ้นทุก์แต่ว่าเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับคำว่าใจกรุณาภาษาอังกฤษใช้ก็ mercyful mercyful นะครับซึ่งมีความหมายนะครับหมายถึงการที่มีจิตใจแห่งการให้อภัยครับ forgiveness นะครับ mercyful นั้นมีความหมายเกี่ยวข้องกับ f o r g i v e นะครับก็คือ การยกโทษหรือก่อเกลียนั่นเองพี่นะครับคําว่าบุคคลผู้ใดที่ดีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบข้ อ, ขอความเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคาจัดคําสอนของพระเยซูบนภูเขานั้นไม่ได้กล่าวในเชิงที่ว่าเราจะแสดงความเมตตาเพียงเพื่อจะได้รับรกรุณาจากพระเจ้าเพราะนี่คือการเห็นแก่ตัวครับพี่น้องโปรดฟังหม่ท่านครับ พระเยซูไม่ได้สอนให้เราแสดงความเมตตาเพื่อที่ะได้รับความเมตตาพระองค์ไม่ได้สอนให้เราสแสดงความกรุณาหรือมีใจกรุณาเพื่อจะได้รับเพียงเพื่อจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าเพราะว่านี่คือความเห็นแก่ตัวครับผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นคนที่รู้และเข้าใจความเศร้าโศกของคนอื่นรู้และเข้าใจความต้องการของคนอื่นและเขาปรารถนาที่จะให้คนอื่นนั้นได้พ้นจากความเศร้าโศก นะครับได้รับตามความต้องการของตัวเองมีชีวิตที่ดีมีชีวิตดดวติดบวกนะครับคนเหล่านี้ครับเขาเต็มใจที่จะให้อภัยและเต็มใจในการช่วยเหลือหนุนจิตชูใจคนอื่นนะครับผมไม่ได้พูดแต่ตอนล้นนะครับว่าคําว่าใจเลีตาก็คือใจที่ให้อภัยกับนะการให้ไปคนอื่นนะั้นคือการแสดงใจเลีตาที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของ แทนนะครับก็คือเรื่องของการกระทำหรือเรื่องของการที่เราต้องสัมดงชีวิตออกมาครับพี่น้องครับในพระเจ้์ของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าแท้จริงแล้วนี่ครับชาวโรมซึ่งเป็นคนปกครองชาวยิวในสมัยของพระเยซูนั้นจริงๆชาวโรมเหล่านั้นนั้นไม่ค่อยมีความเมตตาสงสารครับเพราะว่าสังคมบริบทวัฒนธรรมของชาวโรมัน นะครับซึ่งเป็นนักครบนะครับพวกเขาเนะี่ยคิดว่าการที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจการที่จะมีใจเมตตากรุณานั้นเป็นเรื่องของคนอ่อนแอครับเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นชายชาตินักรบนักปกครองนักการศ า, ารคนเหล่านี้นะครับหรือสั ญ, ญลักษณ์ประจําชาติหรือจิตใจประทมชาติของคนโรมันนะครับก็คือไม่มีความเห็นอกเห็นใจครับแต่ปกครองด้วยระบบ นะครับระเบียบและความเข้มงวดแต่กลับกานกับพระเยซูครับพระเยซูทรงสอนให้สาวกมี5ทีในทางตรงนข้ามถ้าพวกเขาทําตามที่พระเยซูต้องการเขาจะได้รับพระอานาจากพระเจ้าเยซูสอนให้สาวกของพระองค์ผู้ที่ตามพระองค์นั้นจะต้องมีจิตใจที่เมตตาก ร, รุณาจิตใจพร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นจิตใจที่แสดงความเห็น อ, อกเห็นใจปราถนาให้คนอื่นได้ดี ีนครับคนเหล่านี้เมื่อสักครู่ีผมพูดไปแล้วนะครับเขามีจิตใจที่สามารถล่วงรู้ถึงความเจ็บปวดของคนอื่นมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นซินพาตี้นะครับก็คือเป็นจิตใจที่มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่ตกทุกข์กยากครับมีความรู้สึกเห็น อ, อกเห็นใจนะครับเต็ม ใ, ใจที่จะช่วยเหลือและหนุนใจพี่นครับมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในพระธรรมสรุนดีบทที่สี่สิบเ็ดข้อที่หนึ่งและข้อที่สาม กษัตริย์ดาวิดได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลาบากพระเจ้าทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชีวิตเมื่อเขานอนเจ็บพระเจ้าทรงทําจุนเขาพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับจากคข้อบีขอ้อนี้พระเจ้านั้นเป็นผู้เดียวครับที่กาแดงความเมตตาการุณาอย่างแท้จริงให้กับมนุษย์แต่เมื่อรุษนั้นได้รับความเมตตาการุณาได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้ว มนุษย์จึงสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นๆได้หรือจะรักคนอื่นๆได้หรือจะเมตตาสงสารจะแสดงความโกโรุณาให้กับคนอื่นได้นะครับเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเป็นแหล่งที่มาของใจกรุณานะครับพระทยของพระองค์นั้นเป็นพระทยแห่งความกรุณาพระทยของพระองค์นั้นคือการช่วยเราในวันยากลำบากนะครับพระทยของพระองค์นั้นคือการป้องกันเรารักษาเราให้มีชีวิต ครับเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราติดขัดปัญหาต่างๆเมือ่อชิตของเรามีอุปสรรคเมือ่อชีวิตของเราเข้าสู่วิกฤตพระเจ้าจะทําจุนเราแห้เราสามารถพ้นวิกฤตไปได้ครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ส่งสอนสอดคล้องกับที่กษัตริย์นาวิทได้เขียนสือดีบทที่สีิบเอ็ดครับในพระธรรมรูการครับยังได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซู ได้สอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใจกรนาว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านมีพระไถยเมตตากรุณาอันนี้บันทึกอยู่ในรูปราบที่หกข้อสามสิบหกครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าชีวิตของเรานะครับจาเป็นที่จะต้องสำแดงความกรุณาจิตใจแห่งความเมตตากออกมาจากใจจริงโดยที่ว่าไม่ได้หวังการตอบแทนใดๆ นะครับโดยที่ว่าไม่แม้กระทั่งการที่ประเจ้ายจะอวยพรนะครับเราต้องมีจิตใจเมตตากราุณาและท่าทีเหล่านั้นที่เลยแจงเราแสดงออกมาเป็นการช่วยเหลือครับเป็นการให้อภัยคนอื่นเป็นการหนุนจิตชูใจคนอื่นด้วยคําพูดการกระทำเพราะฉะนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานะครับเป็นการสําแดงถึงจิตใจเมตตากรุณาที่เกิดจากภายในซึ่งได้รับจากประเจ้าและเรากําลังแบ่งปันให้กับคนอื่นครับ พี่น้องครับอย่าทําดีนะครับเพื่อหวังผลตอบแทนอย่ามีใจเมตตากรุณาเพื่อหวังผลตอบแทนก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องทากัรให้พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปกินข้าวด้วยกันครับแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้แชร์อาหารนะครับด้วยกันแชร์อาหารนี่กันหมายถึงว่ากินอาหารอยู่ในชามเดียวกันกินกันไปคนละคำสองคาจกนกระทั่งถึงชิ้นสุดท้ายครับภรรยาก็ ฝากให้กับสามีและบอกภาษาไทือว่าชิ้นจุดท้ายนั้นฉันให้เธอกินเพราะว่าใครก็ตามที่กินชิ้นุดท้ายนั้นแฟนสวยพี่น้องครับการพูดอย่างนี้ของภรรยานั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ภรรยานั้นอยากจะให้สามี ก, กินครับแต่แต่ต้องการให้ตัวเองสวยครับนี่คือสิ่งที่เป็นกํากันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรที่รัวทุกท่าน ในการทำความดีใดๆก็แต่อย่าหวังผลตอบแทนครับแต่เป็นการที่เราทำเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าการที่เราจะมีใจกรุณาอย่าหวังผลตอบแทนครับแต่การที่พระเจ้าจะกำเดงพระกรนา์ตอบท่านเป็นสิ่งที่พระองค์ทำอยู่แล้วนะครับพรงจะยกโทษให้เรานะครับเมื่อเรายกโทษในคนอื่นอาเมน